น่าเพลินใจด้วยผลที่ท่านได้รับแต่มาสมัยทุกวันนี้ทําแทบล้มแทบตายก็ไม่ค่อยปรากฏผลเท่าที่ควรเก่เหตุบ้างเลยอันเป็นสาเหตุให้ผู้บำเพ็ญท้อใจและอ่อนแอต่อความเพียรท่านอาจารย์มั่นถามท่านว่าครั้งโน้นในตําราท่านแสดงไว้ด้วยหรือว่าผู้บำเพ็ญล้วนเป็นผู้สําเร็จอย่างรวดเร็วและง่ายได้ทําใจทุกรายไปหรือมีทั้งผู้ปฏิบัติลําบากทั้งรู้ได้ช้าผู้ปฏิบัติลาบากแต่รู้ได้เร็วผู้ปฏิบัติสะดวกแต่รู้ได้ช้าและผู้ปฏิบัติสะดวกทั้งรู้ได้เร็ว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 สั่งสมยาพิททำลายตนโดยไม่รู้สึกตัวต่างหากมิได้ตรงตามความจริงตามหลักแห่งความเพียรเลยฉะนั้นครัง้งผู้จัดการที่ท่านทำความเพียรด้วยความจริงจังหวังพ้นทุกจริงจริงกับสมัยที่พวกเราทำเล่นเราเด็กกับตุ๊กตาจึงนำมาเทียบกันไม่ได้คืนเทียบไปมากเท่าไหร่ยิ่งเป็นการขายกิเลสความให้เป็นท่าของตัวมากเพียงนั้นผมแม้เป็นคนในสมัยทำเล่นเล่นลวงลว ง, ลงตัวเองก็ไม่เห็นด้วยกับคำพูดดูถูกาศาสนาและดูถูกตัวเองดังที่ท่านว่ามานั้น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 ขณะที่พวกเราทําความเพียนแบบระดูกจะหลุดออกจากกันเพราะความขี้เกยียจอ่อนแออยู่เวลานี้ผมเข้าใจว่าเหมือนคนที่แสนโง่และขี้เกยียจเอาสิ่งอันเล็กๆเท่านิ้วมือไปเจาะภูเขาทั้งโลกแต่หวังให้ภูเขานั้นทะลุในวันเวลาเดียวซึ่งเป็นที่หน่าหัวเราะของท่านผู้ฉลาดปราดเปื่องด้วยปัญญาและมีความเพียนกล้าเป็นไหนๆพวกเราลองคิดดูประโยคแห่งความเพียนของท่านผู้เป็นสักยบุตรพุทธสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทํากันกับความเพียนของพวกเราที่ทําแบบ เอาฝ่ามือไปแตะแม่น้ำมาหาสมุทรซึ่งสุดที่น่าสมเพชเวทนาเรือประมาณแต่หวังพระนิพพานด้วยความเพียนเท่าฝ่ามือนั้นลองคิดดูกิเลสเท่ามาหาสมุทรแต่ความเพียนเท่าฝ่ามือนั้นมันห่างไกลกันขนาดไหนคนสมัยฝ่ามือแตะมาหาสมุทรทำความเพียนเพียงเล็กน้อยแต่ความหมายมั่นปันมือว่าจะข้ามโลกสงสารเมื่อไม่ได้ตามใจหวังก็หาเรื่องตำหนิศาสนาและการสถานที่ตลอดคนสมัยนั้นสมัยนี้ไม่ละอายการประกาศความไม่เป็นท่าของตัว ให้นักปราท่านหัวเราะด้วยความอ่อนใจว่าเราเป็นผู้หมดความสามารถโดยประการทั้งปวงการลงทุนแต่เพียงเล็กน้อยด้วยความเสียดายเรี่ยวแรงแต่ต้องการผลกําไรล้นโลกล้นสงสารนั้นเป็นทางเดินของโมฆะบุรุษโมฆะสตรีผุดเตรียมสร้างป่าช้าไว้เผาตัวและนอนจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มีวันลดหย่อนผ่อนวตา ว, ว่าจะผ่านพ้นไปได้เมื่อไหอไร่คําถามพงท่านทีถามผมเป็นเชิงชมเชยศาสนธรรมชมเชยการสถานที่และบุคคลในครั้งพุทธกาล แต่ตำหนิศาสนาธรรมตำหนิการสถานที่และบุคคลในสมัยนี้จึงเป็นคำชมเชยและติเตียนของโมคะบุรุษโมคาสตรีที่ปิดกั้นทางเดินของตนจนหาทางได้หลอดปลอดจากภัยไปไม่ได้และเป็นคำถามของคนสิ้นทางเป็นคำถามของคนผู้ตัดหนามกั้นทางเดินของตัวไม่ได้เป็นคำถามเพื่อช่วยบุกเบิกทางเดินให้เปลี่ยนโลกพอมีทางปลอดโปร่งโล่งใจเพราะความสนใจผลดกเรื่งตนจากกิเลส ด, ด้วยสวากาตธรรมอันเป็นมัชชิมาที่เคยให้ความเสมอภาคแก่สว์โลก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 โรคกิเลสซึ่งไม่ใช่โรคหี่โรคเขาโรคกลากโรคเลื่อนพอจะหายไปเองต้องรักษาด้วยยาคือทำในทางความเพียรตามแบบของสากยะบุตรพุทธสาวกที่ท่านทำกันจะเป็นกิเลสชนิดร้ายแรงหรือไม่เพียงไรก็จำต้องสงบและหายได้ไม่มีทางสงสัยท่านคิดเพียงเท่านี้ผมก็พอบบาใจและชมเชยว่าท่านก็เป็นผู้มีความคิดแยบขายบ้างผู้หนึ่งที่จะพอเชื่อความสามารถของตัวได้ว่าจะเป็นผู้ข้ามโลกสงสารได้ และเชื่อความสามารถของพระพุทธเจ้าและาศาสนธรรมว่าเป็นผู้ตรัสรู้ธรรมด้วยพระบรีชาสามารถทรงประกาศาาศาสนธรรมไว้โดยชอบและเป็นนิยาในกรรมำนำสัตย์ให้ข้ามพ้นได้จริงไม่ทำหนิติเตียนตนว่ามีกิเลสหนาทำให้รู้ธรรมได้ช้าโดยไม่สนใจแก้ไขไม่ติเตียนพระพุทธเจ้าว่าทรงประกาศาสอนธรรมไม่เสมอต้นเสมอปลายไม่ติเตียนพระาาธรรมว่าไร้สมรรถภาพหรือเรียวแหลม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 ท่านถามหลวงกูขาวว่าท่านเล่าเวลานี้ใจเป็นเหมือนหลังหมาหรืออย่างไรกันแน่จึงมัวตำหนิแต่ทำโดยถ่ายเดียวว่ามายังผลให้เกิดขึ้นแก่ตนเพื่อสำเร็จมรรคผลที่ผ่านง่ายๆเหมือนครั้งพุทกาลโดยไม่คํานึงใจตัวบ้านซึ่งกำลังสลัดปัดธรมออกจากใจยิ่งกว่าหมาสลัดน้ำออกจากหลังของมันถ้าย้อนมาคิดถึงความบกพร่องของตนบ้าน oh. ผมเข้าใจว่าธรรมจะมีที่ซึมซาบและสถิตอยู่ในใจได้บ้างไม่ไหลผ่านไปผ่านไป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 นั้นยิ่งลึกซึ้งและเผ็ดร้อน ย, ยิ่งความมหาสมุทร ส, สุดสาครและไฟในนรกแม้เรื่องผ่านไปแล้วท่านยังใส่ปัญหาผมอย่างเน็บแนมเรื่อยมาบางครั้งยังยกปัญหานั้นมาประจานต่อหน้าที่ประชุมอีกด้วยไม่ให้เสร็จสิ้นลงง่ายๆว่ามิจฉาทิฐิบ้างเทวทั์ทำลายศาสนาบ้างแหลกไปหมดไม่มีชิ้นดีเลยจนทาให้หมูเพื่อนสงสัยมาถามก็มีว่าเป็นดังท่านว่าจริงๆหรือผมต้องได้ชี้แจงให้ท่านทราบว่า ผมไม่ได้เป็นไปตามปัญหาที่เรียนถามท่านเป็นแต่อุบายเพื่อฟังธรรมท่านเท่านั้นปกติถ้าไม่มีอุบายแปลกๆขึ้นเรียนถามท่านไม่เทศให้ฟังแต่การยกอุบายขึ้นเรียนถามนั้นผมเองก็งงไปโดดไปกว่าเอาคอนมาให้ท่านตีหัวเอาแทนที่จะยกอุบายอันร่าเปลื่นดีงามขึ้นเรียนถามและฟังท่านอธิบายพอหอมปากหอมคอนตามปกติก็เป็นดังหลวงปู่ขาเล่าให้ฟังถ้าไม่มีอะไรแปลกๆเรียนถามท่านก็พูดไปธรรมดา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 ไม่สนใจคิดอะไรกันบ้างเลยและจะกลายเป็นกบเฝ้ากอบัวอยู่เปล่าๆพอถูกท่านสับเขครศบ้างดูเหมือนหูตั้งตาสว่างขึ้นในบ้างนิสัยพระทุ่งรรมัฐานสายท่านอาจารย์มัน่นก็คูเข็นสับเขรอยู่เสมอจึงพอได้สติปัญญาขบคิดบ้างท่าแสดงไปเรียบเรียบฟังไปเงียบเงียบไม่มีที่สะดุดฉุดใจให้ตื่นเต้นตกใจและกลัวบ้างใจคอยแต่จะหลับในไม่ค่อยได้อุบายพอเป็นเครื่องส่งเสริมสติปัญญาบ้างเลยกิเลสชนิดต่างๆที่พอจะแสงหน้าอยู่แล้ว มกักได้โอกาสออกเพ่นพ่านออกขวนและรังควานใจพระอุบายไม่ทันกับความฉลาดของมันเมื่อได้รับอุบายแปลกๆจากท่านเพราะการเรียนถามปัญหาเป็นสาเหตุสติปัญญาขอรู้สึกคึกคักแผลพราวขึ้ น, น, น, นบาัาดังนั้นที่หลวงปู่ขาวเรียนถามท่านอาจารย์มัน่นแม้จะผิดบ้างถูกบ้างจึงอยู่ในขายที่ควรได้รับประโยชน์จากปัญหาธรรม น, นั้นตามสมควรดังที่เคยได้รับเสมอมาท่านว่า ปีจำภาษากับท่านอาจารย์ม้่นปีแรกที่เชียงใหม่เกิดความปิติยินดีอย่างบอกไม่ถูกสมที่พยายามติดตามท่านมาหลายปีแม้จะได้ฟังโอาวาทท่านบ้างในที่ต่างๆก็เพียงชั่วระยะไม่จุใจเดี๋ยวก็ถูกท่านขับไล่หนีไปอยู่คนละทิศละทางเมื่อพบโอการปรสปาันาช่วยได้จำภาษากับท่านจริงๆในภาษานั้นจึงดีใจมากและเร่งความเพียใหญ่แทบไม่ได้หลับนอนบางคืนประกอบความเพียตลอดรุ่งคืนวันหนึ่งจิตสมบรวมลงอย่างเต็มที่ไปพักใหญ่จึงถอนขึ้นมา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 ภาวนาอย่างไรคืนนี้จิตจึงสว่างสวยมากผิดกับที่เคยเป็นมาทุกๆคืนนับแต่มาอยู่กับผมต้องอย่างนี้สิจึงสมกับผู้มาสแสวงธรรมทีนี้ท่านทราบหรื อ, อยังว่าธรรมอยู่ที่ไหนคืนนี้สว่างอยู่ที่ไหนละ่ะท่านขาวสว่างอยู่ที่ใจครับผมท่านเรียนตอบทั้งกลัวทั้งอายแทบตัวสัน่นที่ไม่เคยได้รับคำชมเชยแกมคาสักถามเช่นนั้นแต่ก่อนทําไปอยู่ที่ไหนเราท่านจึงไม่เห็น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 เราไม่ใช่คนตาบอดพอจะรูปคล้ำคืนนี้ผมส่งกระแสจิตไปดูท่านเห็นจิตสว่างสวายทั่วบริเวณกำหนดจิตส่งกระแสไปทีไรเห็นเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดจนสว่างเพราะคืนนี้ผมไม่ได้พักนอนเลยเข้าสมาธิภาวนาไปบ้างตอนรับแขกเทพบ้างกำหนดจิตดูท่านบ้างเรื่อยมาจนสว่างโดยไม่รู้สึกเพราะออกจากที่จึงต้องมาถามท่านเพราะอยากทราบเรื่องของหมูคณะมานานสบายไหม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 ท่านตั้งหลักใจได้อย่างมั่นคงและเจริญยิ่งขึ้นโดยลำดับไม่มีเสื่อมถอยเลยท่านอาจารย์มั่นก็จีไใจเราอยู่เสมอเผลอตัวไม่ได้เป็นโดนท่านดุทันทีและดูเร็วยิ่งกว่าแต่ก่อนการที่ท่านช่วยจี้ช่วยเตือนเรื่อยมานั้นความจริงท่านช่วยรักษาจิตรักษาทําให้เรากลัวจะเสื่อมไปเสียนับแต่นั้นมาก็ได้จําภาษากับท่านเรื่อยมาพอออกภาษาแล้วก็ออกเที่ยวบำเพ็ญในที่ต่างๆ